คิดสิเขามีดีอะไรบ้างเออเขามีตรงนั้นดีนะเขามีตรงนี้ดีนะอเออเออเอเอาเอ า, ามีดีตั้งเยอะแนะ่หลายจุดแนะ่หลายเรื่องแนะ่หลายอย่างเนะี่ยนี่แหละคือการแผ่เมตตาเสร็จแล้วเอามุมไม่ดีของเขาล่ะจะแผ่เมตายังไงในมุมไม่ดีของเขาเอามุมไม่ดีของเขาเราก็ให้อภัยไปสิให้อโหสิไปสิ แล้วก็ดูสิว่าแม้คนเรามันจะมีดีไปสมดทุกอย่างได้ยังไงอะมันก็มีมุมไม่ดีอยู่ด้วยมองกลับมาที่ตัวเราเองก็ได้เออเราก็ยังมีมุมไม่ดีอยู่เลยบางทีคนอื่นเขาก็ยังให้อภัยเราเขาก็เห็นใจเราเหมือนกันนะว่าเออไอคนนี้มันติดอย่างนี้มาหลายชาติแล้วน่าเห็นใจเอา้าก็บางทีคนอื่นก็ยังเห็นใจเราเลยนะในในจุดไม่ดีจุด ด้อยหรือจุดบกพร่องของเราอะแล้วทำไมอะเราเห็นใจคนอื่นเขาบ้างไม่ได้เลยในจุดไม่ดีของเขาอะอ่าใช่มเพราะจุดไม่ดีของเขาเนี่ยเออเราก็ให้อภัยหรือว่าเห็นใจเขาได้สงสารเขาได้อย่างเงี้ยแล้วจุดดีเราก็พยายามคิดพยายามอะไรอะเห็นคุณค่าในจุดที่ดีของเขานี่แหละสุดยอดของการเมตตา คุณแผ่เมตตาอย่างนี้ได้รับรองเลยคนนั้นนี่หายโกรธคุณหายโกรธเขาได้ทันทีแล้วฝึกบ่อยๆเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยต่อให้รับหลังนะนี่นี่พูดนี่พูดแค่ยังรับหลังอยู่นะฝึกเลยจะก่อนนอนตื่นนอนหรือสามเวลาหลังอาหารฝึกเลยฝึกแผ่เมตตาเลยน้าอาตมายังพยายามฝึกเลยนะ กอ น, นอนตื่นนอนนี่ก็พยายามแผ่เมตตาฝึกจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งใครที่เรารู้สึกว่าบอกแล้วเออเขาทุกข์อยู่หรือว่าเขาอะไรอยู่นะก็พยายามนึกถึงแล้วก็เออจะช่วยเหลือยังไงได้พยายามเพราะสิ่งเหล่านี้พอเราฝึกไว้ฝึกไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีเมตตาได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แม้แต่บางทีเนี่ยก่อนฉันอาจะมาก็ก็ยังทำเลยบางทียกเว้นว่าบางทีมาอยู่กับหมูมันต้องมีสว่ตนนะบางทีมันก็พิจารณายากแต่ถ้าฉันลำพังเนี่ยจะมาจะพิจารณาแล้วก็จะแผ่เมตตาด้วยแผ่เมตตาก็คือบอกว่าตั้งจิตเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปท่องอะไรคุณไม่ต้องไปท่องอะไรเป็นเลยก็ได้คุณนี่ยคุณก็ตั้งจิตขึ้นมาแล้วก็เออ ใครทุกร้อนใครมีปัญหาหรือว่าใครยังไงนีไม่พ้นหรอกถ้าตาบใดเรายังไม่ใช่พระอาหารหันเนี่ยมันก็มีหงุดหงิดบ้างมีลำคาญในเรื่องนั่นบ้างในเรื่องนี้บ้างบางทีเนี่ยไม่ต้องอื่นไกล่แค่รับโทรศัพท์เนี่ยโอเพิ่งวางหูไปเดินไปจะไปทำอะไรสักหน่อยเอาใหม่์ละโทรศัพ <c oughs> ท์บางทีนี้ ช่างมันเถทว่าอย่าไปรับมันเลยบางทีเพราะจิตมันนั่นน่นมันเอาแล้วมันชักจ้ายนั่นแล้วเอแต่บางทีก็บอกว่าเ อ, าอย่างนี้ไม่ดีนะจิตอย่างนี้ไม่ดีนะเนี่ยก็ต้องมีสติรู้แล้วก็ฝึกห้ารับก็รับบางทีพอรับเสร็จใช่ไหมอ่ากุยกุ ย, ยเสร็จวางหูพอวางหูไปเสร็จอ่านั่งไปสักครู่เดี๋ยวก็กรีมอีกใช่ไหมจิตมันไปอีกแล้วนะเดี๋ยวไอ้โคลนกี้โทรมีอีกแง่เลย โทรมาอีกแง่เลยเนี่ยไปแล้วนะเจทั้งเจ้ยังไม่รู้เนียว่าใครโทรมาให้เห็นวันนี้โอ้โหกิเลสคนเราเนี่ยจิตมันจะไปจะไปอย่างเงี้ยเพราะทำไมแหละถึงต้องหัดแผ่เมตตาไว้บ่อยๆหัดแผ่เมตตาไว้มากๆก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะจิตเราเนี่ยมันจะไปอ่างกุศลอยู่เรื่อยนะถ้าคุณไม่ฝึกไว้เนี่ย อะไรอะไรก็อกูสนได้คุณเชื่อมะบางทีคนเดินผ่านเราไปผ่านเรามาเนี่ยไอผ่านไปทีแรกเราก็ไม่ไม่ติดสนใจอะไรผ่านรอบที่สองก็ชักแปลกๆหน่อยพอผ่านรอบที่สามเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไอคนเนี้ย <c oughs> เราลวเริ่มแล้ว <c oughs> อดไม่ได้นะแล้วไปสังเกตดูสิถ้าคุณไม่ฝึกจับจิตมีสติสติแบบ ปฏิบัติธรรมเนี่นะถ้าคุณไม่ฝึกให้ดีเนี่ยนะมันเร็วมากเลยเพราะมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันไปแล้วแง่ลบเพราะอันนี้คือกิเลสของเราหรือขอใช้คําว่าสันดานเดิม <c oughs> ของเราที่มันมีอยู่แล้วมันสะสมอยู่มันไปอันนี้ก่อนเสมอด้วยขอบอกว่าเสมอนะเขาถึงได้มีสำนวนบอกว่าเหมือนกับ จิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอเนี่ยจากที่สูงแล้วก็ไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอเนี่ยเขาเอามาเปรียบว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นหรือผู้เจ้าท่านใช้คำว่าโลกเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดโลกนี่ก็คือเราเนี่ยแหละตัวเราเนี่ยแหละพร่องอยู่เป็นนิดก็คือว่ามันชอบผลาดอยู่เรื่อยชอบคิดเร็วๆไรคิดอะไรไม่ดีไปก่อนอยู่เรื่อย ทั้งๆ ท, ที่จริงๆเนี่ยถ้าเราคิดดีขึ้นมาดูนะอย่างเช่นเราไปเจอคนพูดมากอย่างเงี้ยถ้าเราคิดแง่ไม่ดีเนี่ยโอ้โหหงุดหญิดลำคาญพูดอยู่นั่นส อ, อนอยู่นั่นไม่รู้จกักจบจากสิ้นทั้งทีหลักสูตรอะไรก็ไม่รู้หลักสูตรอะไรสอนไม่รู้จักจบ <c oughs> อ้าแต่ถ้าคิดดีอะ ดูนะถ้าเราเราเร า, เราแผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะโน้มมาในทางกุศลจะโน้มมาในทางดีมันทําให้พอคราวที่เราไปเจอผัสสะต่อให้ภาษาเหมือนเดิมเนี่ยแต่ความคิดเราจะเปลี่ยนไปในแง่ดีขึ้นคราวนี้เนี่ยพอเจอคนพูดมากเข้ามันมันไม่คิดเหมือนเดิมแล้วนะคราวที่แล้วเราลาคาญใช่ไหมเราคิดแง่ลบต่างๆนานาแต่คราวนี้เราบางทีเออดีนั้นโอ้นี่ โอ้โหไม่ได้จ้างเลยนะแหมมาสอนแล้วสอนอีกโอโ้ขยันดีมากไม่ต้องจ้างเลยเออบางทีบางคนต้องไปขอให้เขาสอนใช่ไหมเขาถึงจะสอนไอ้นี่ไม่ต้องขอเลยก็โอ้เขา อ, อุตส่าห์มาช่วยแนะนําช่วยบอกกล่าช่วยสอนเนี่ยถ้าจิตเรามันคิดปในทางดีเห็นไหม ไม่เพียงแต่ไม่ลำคาญนะเราพอใจด้วยพอใจที่เขามาช่วยสอนเราบางคนเนะี่ยสังเกตไหมว่ากลัวขุมทรัพย์อ่ะกลัวเวลาเขาให้ขุมทรัพย์อ่ะใช่ไหม เ, เพราะอะไรเพราะคิดเขาคิดในแง่ลบอยู่ไยเพราะฉนั้นไม่เอานะบางคนนะ่ะถึงชั่วโมงรับขุมทรัพย์แล้วอ่ะรับขุมทรัพย์ก็คือให้คำดำหนิติเตียนให้คาบอกกล่าว อะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จปรากฏว่าอ่ถึงชั่วโมงรับกลุ่มทรัพย์แล้วปรากฏว่ายกมือเลยบอกขอโอกาสนะพอดีวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีวันนี้ไม่รับกลุ่มทรัพย์ขอไปหวดหน้าหรือบางคนก็ประจำเลยลเราไปสังเกตดูสิ เอาก็ยอมรับตามความเป็นจริงเอาเขาก็ยอมรับตามความเป็นจริงนะว่าจิตมันไม่ดีอ่ะก็แล้วคำว่าจิตยังไม่ดีเนี่ยมันก็หมายความว่าอะไรอะ่ะก็หมายความว่าเนี่ยยังไม่ฝึกจิตให้มากพอยังไม่รู้จักปรับเปลี่ยนจิตให้ดีขึ้นเพราะฉนั้นเมื่อจิตไม่ปรับเปลี่ยนแล้วก็ไม่ดีขึ้นเนี่ยรับอะไรไม่ได้หรอกเพราะรับไปแล้วมันก็คิดแต่แง่ลบทั้งๆที่จริงๆแล้วบอกแล้วว่ามันเป็นขุ้มซัพย์นะคนที่ให้ คำชี้แนะเราให้คำตำหนิติเตือนเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นขุมทรัพย์ครูเจ้าท่านก็ตัดว่านี่แหละเป็นผู้ที่ให้ขุมทรัพย์กับเราวันถ้าไม่ดีจริงๆก็เอา้าก็ต้องทําอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่ฝึกเพิ่มแล้วเมื่อไหร่มันจะดีะจิตเ ร, เราต้องฝึกเพิ่มไอขุมทรัพย์มันแมสมมุติว่า จะให้ทองคําแท่งเรานะบาทละหมื่นกว่าเนี่ยมันหนักไปรับไม่ไหวบุญหลนทับมันหนักเกินเพราะฉะนั้นก็เลยก็หัดจากขุมทรัพย์น้อยๆกันจีบอกทองบาท น, นึงไม่เอานะไอ้ไอสิบบาท น, นี่ไม่เอานะมันหนักไปเอาสลึงเดียวพอเอาทองคําสลึงเดียวพอถ้าแค่นี้รับได้เออจริงแล้วก็บอกได้ ก็บอกเขาบอกว่าตอนนี้รับได้แค่สลึงเดียวมักน้อยสันโดษก็ <c oughs> ได้ก็เพื่อนฝูงกันอะไรกันอย่างเงี้ยอแล้วก็ฝึกไปเนี่ยฝึกรับไปรับไปเหมือนกับที่เขาบอกว่าอะไรนะ อ, อุ้มช้างอาบน้ำอ่ะนะต้องหัดอุ้มตั้งแต่ลูกช้างอะ่ะจนกระทั่งเออมันโตขึ้นโตขึ้นก็เ อ, อ, เ อ, อค่อยๆอุ้มได้อุ้มได้จนกว่าจะอุ้มไม่ไหวนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะอุ้มมันได้เก่งขึ้นไ yeah. งก็นั่นแหละ พอฝึกพรนถ้าถามมาว่าเราจะแก้ไอตัวลาคาดนี้ได้ยังไงก็ต้องแก้อย่างเงี้ยพรอนการแผ่เมตตาเนี่ยแหละคือการแก้โดยตรงตอนนี้ตะกี้ที่พูดไปเนี่ยอาจจะพูดแต่ในแง่ของความคิดยกตัวอย่างเท่านั้นเองในแง่ของความคิดแต่แผ่เมตตาเนี่ยมันมียังไงเมตตากายกรรมเมตตาวิจีกรรมเมตตามนโนกรรมนะมันต้องสามอย่างนี วันจิตเนี่ยมันต้องเริ่มก่อนพวันพอเราตั้งจิตไว้ดีว่าเออเอาละต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะพยายามแผ่เมตตาแผ่เมตตาพวันคนที่เริ่มหัดแผ่เมตตาโดยที่ยังไม่ต้องไปเจอเต้าตั ว, ตวเขาบอกแล้วก็หัดอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยจิตมันก็จะค่อยๆกระเตื้องขึ้นดีขึ้นมีความเห็นใจมีความเข้าใจมีความเอ็นดูเอื้อเฟื้อคนอื่นได้มากขึ้นพวันพอมัน เพื่อเฟื้อในทางความคิดนี่ได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นคราวนี้ก็ต่อยอดทางวจีกรรมและวันนี้เจอคนนั้นเราก็าหัดพูดสิหัดพูดด้วยเมตตาคือยังไงเนี่ยหัดหัดพูดแบบแผลเมตตาไม่ใช่พอเจอเขาก็สัพเพสัตตาเนี่ยพอเจอกันเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็สั่นโลกทั้งหลาย นะอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะไม่อยากเจอหน้าเขาก็แผ่เมตตาอย่างนี้นะแผ่เมตตาทางบาจาก็คืออะไรพูดดีๆกับเขาเไม่ใช่พูดเขาโชากโหกหักไม่ใช่เจอกันแล้วก็นะแหมพูดเสียงแข็งๆพูดแบบอะไรอะ่ะหมันไส้พูดแบบไม่พอใจอะไรอย่างนี้นะอออเมตตาวจีกรรมก็เ อ, อหาหัดพูดดีๆกับเ้าหน่อยสิ เสียงมันดังไปก็ลดออเสียงลงหน่อยเสียงมันแข็งไปก็ออหัดดัดดัดเสียงให้มันอะไรอะนุ่มนวลอย่างนี้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่มีหางเสียงก็หัดมีหางเสียงขึ้นมาอย่างเงี้ยฝึกตอนนี้แผ่เมตตาเป็นวจีกรรมแล้วนะยากขึ้นแล้วนะเพราะถ้าจิตเนี่ยคุณฝึกไม่มากพอเนี่ยนะ ว่าจีกรรมมันไม่ยอมออกหรอกรับรองเลยส่วนใหญ่เนี่ยที่เก่งที่สุดคือแผ่เมตตาทางจิตที่เก่งที่สุดเนี่ยแต่ทางจิตได้ก็บอกแล้วก็ดีแล้วนะอย่างไงน้อยนะเพราะมันต้องเริ่มที่จิตแต่ถ้ายังไม่เก่งพอเนี่ยมันไม่ยอมหรอกเน่ยจะให้พูดดีๆเขานะโ อ, อ้มันไม่ยอมบางทีเนี่ยเดินเจอกันเนี่ยนะบอกแล้วในใจเนี่ยนะมันบอกเลยมันบอกใจเราเลยเออคิดดีๆกับเขาคิดดีๆกับเขา นะเนี่ยแผลไม่ตายเขาแล้วนะแต่เดินผ่านกันก็ทามองไม่เห็นเลยนะบางทีไม่พูดด้วยแมะไรด้วยเลย <c oughs> แต่ใจเนี่ยมันก็แผลไม่ตายในใจแผลไม่ตายในใจแต่ก่อนนี้อาตมาเป็นนะแต่ไม่ได้โกรธเกลียดนะแต่เคยนึกแบบนี้ ม, นมันมิจฉาทิฐิเคยนึกอยู่ไม่ได้โกรธเกลียดเลยเอายกตัวอย่างว่าอย่างพ่อท่านเนี่ยหรือพระสมณะชาวโศกเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยบางทีไปที่ไปที่บ้านนะนะอาตมาไม่ค่อยยอมไหว้เท่าไหร่หรอกยิ่งพ่อท่านเนี่ยไหว้น้อยกว่ารูปอื่นด้วยเพราะ ถ, าถือว่าคุ้นกันถือว่าคุ้นกันถือว่าเห็นกันมาก่อนเนี่ยเห็นเห็นท่านมาก่อนที่ท่านจะบวช อ, อ่ะอ่าเห็นตั้งแต่ท่านเป็นคราวาดมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาแต่ตอนท่านเป็นคราวาก็เรียกก็เรียกกุลักกุลักอะไรอย่างเงี้ยนะ รักรักพงเนี้ย<ม>ก็เรียกคุณรักคุณรักพอท่านบวชเป็นพระแล้วก็เรียกพระรักพระรักไม่ค่อยยอมไหวหรอ ก, อกบอกบอยให้คุณดูแต่ใจเนี่ยไหวยนะใจเนี่ยไหว้แต่มือไม่ไหว้แล้วปากก็ไม่ไม่ไปแบบว่าไปพูดอย่างนั้อย่างงี้อะไรก็ไม่แต่ที่ไม่ไหายเนี่ยบอกกับใจตัวเองบอกว่าไหว้แล้วไหวในใจ <laughs> เอออย่างนี้จริงๆ บอกว่าไหวแล้วไหวในใจมันจริงๆแล้วมันยังจริงนั้นก็มีความอ่อนน้อมขนาดหนึ่งและใจอ่อนน้อมขนาดหนึ่งแต่ยังไม่มากพอที่จะออกมาเป็นวจีกรรมหรือถึงขั้นกายกรรมมันยังมีตัวอายมั่งตัวกลัวมั่งตัวอะไรมั่งเลยทำให้เรายังไม่กล้าที่จะทำถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วมันเป็นข้ออ้างข้ออ้างที่เราเนี่ยบอกว่าทาอยู่ในใจพอแล้ว เพราะว่าเราเนี่ยไม่กล้าที่จะกราบไหว้เคารพนอบน้อมอะไรถึงขนาดแหมก้มลงไปกราบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยมือมันแข็งสำนวนเขาใช้ว่าอย่างนั้นคือมือมันแข็งเพราะนั้นเนี่ยพูดให้ฟังว่าส่วนใหญ่เนี่ยถึงได้แผ่เมตตาแต่ในทางใจทท้งนั้นแหะหรือแม้แต่บางทีอ่ะเราเอาฟังข่าวข่าวก็ได้ เนี่ยเอาทางใต้เอาปัจจุบันนี้ทางใต้น้ําท่วมโอ้โหเขาลําบากกันทางเหนือก็หนาวบางทีก็แขนตายมั่งอะไรเงี้ยบางทีเราฟังแล้วเราก็โอ้สงสารเห็นใจอยู่เหมือนกันนะก็เลยแผ่เมตตาไปทางจิตส่งไปส่งใจไปทางเหนือนาาบางทางใต้บางทางไหนที่เขาเดือดร้อนก็ส่งใจไปทั้งนั้นแหล ะ, ะจริงๆ ก, ก็คนคนดีนะ อย่างน้อยๆกัลยาณชนเนี่ยก็มีความรู้สึกดีๆมีใจดีๆอยู่ก็ส่งใจไปให้แต่ไม่เคยส่งเข้าของเงินทองหรือส่งตัวเนี่ยส่งกายเราไปบ้างเลยนะช่วยเหลือนะไม่มีเลยเพราะะั้นจริงๆแล้วมันยังแผ่เมตตาไม่มากพอแผ่เมตตาไม่ถึงพูดพูดในที่นี้หมายถึงว่าจริงๆเราสามารถทาได้นะแต่เราเห็นเลยว่าเราเนี่ยไม่ ยังไม่ยอมทำะะํำดังหางจริงเอาตัวเราไปช่วยเลยอย่างตอนนั้นน่ะที่ซึนามิใช่ไหมที่ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นมาอ่าไอตอนนั้นเราไปตัวเราไปไม่ได้เนี่ยเอานะเขาก็ลําบากหรือว่าอะไรต่ออะไรแต่เห็นไหมบางทีเ้าเราพอช่วยอะไรได้อะ่ะที่มันไม่ใช่แค่ในใจอย่างเดียวอะ่ะเป็นกายกรรมคุณทําอะไรได้บ้างอะ่ะหรือเป็นวิธีกรรมคุณทําอะไรได้บ้างที่คุณจะ แผ่เมตตาได้เพิ่มขึ้นบอกแล้วไม่ใช่แค่คิดเอาเท่านั้นเพราะฉนคนทำดีแค่ความคิดเนี่ยมีเยอะเยอะมากมหาศาลคนทำดีแต่ความคิดแต่บางทีเนี่ยดีแล้วก็พูดออกมาเลยพูดให้ดีออกมาด้วยเลยเริ่มไม่กล้าแล้วเริ่มไม่กล้าพูดละบางคนเนี่ยนะโอ้โหูว่าคนเขาทำไม่ดีนะสอนเขาใหญ่เลยนะสอนในใจ S 1> <S 1> <S สอนใจใหญ่เลยแต่ป่าจริงๆเนี่ยไม่กล้าไปพูดไม่กล้าไปสอนหรือไม่กล้าไปทำหรือแม้แต่บางทีเนี่ยที่อะไรอะคนพิการอะใช่ไหมที่เขาจะข้ามถนนเนี่ยโอ้โหคนพิการข้ามถนนก็าลาบากนะเออน่าเห็นใจนะน่าจะไปช่วยเขาข้ามถนนนะแต่เราก็ดูอยู่ยงั้นนะดูว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาพาเขาข้ามถนน เออมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมากจะเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างเงี้ยแผ่เมตตาได้แค่หนึ่งในสามเองเพราะมันมีสามกรรมใช่ไหมได้แค่ใจแผ่เมตตาในใจเท่านั้นเองเพราะต้องแผ่เมตตาในใจให้มากมากๆจนกระทั่งสามารถออกมาเป็นวัญญกรรมให้ได้จนกระทั่งมากจนกระทั่งเป็นกายกรรมให้ได้บางทีเนี่ยเราเห็นคนทำไม่ดีไม่ต้องอื่นไกลหรอก บางทีเพื่อนเราบ้างบางทีญาติเราบ้างบางทีพี่น้องเราบ้างอหรือบางทีลูกเต้าก็เหอะบางครั้งเนี่ยเห็นเขาทาไม่ดีอะไรต่ออะไรแล้วบางทีเออเห็นแล้วก็แหมมันน่าจะบอกมันน่าจะสอนเขาบ้างนะเราน่าจะมีเมตตาหน่อยใจคิดขึ้นมาแล้วแต่บางทีไม่กล้าพูดไปสังเกตได้เลยว่าเราไม่กล้าพูด ไม่กล้าพูดไม่ใช่ว่ากลัวเขาจะมาชกเอาหรือว่ากลัวเขาจะมาทําร้ายนะไม่ใช่หรอกกลัวว่าเขาไม่รักเราดูที่นี่ไม่กล้าพูดเพราะว่าเห็นไหมมันมีได้ทั้งโทสะได้ได้ทั้งราคะใช่ไหมก็กลัวทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเราเราช่วยได้เนี่ยเราเราน่าจะช่วยเพราะเนี่ยเดี๋ยที่พูดมาเนี่ยนะถ้าใครเข้าใจวิธีแผ่เมตตาที่จะเนี่ยวิธีทําให้โกรธลดลง ทำให้ความเครียดแค้จชิงชังลดลงทำให้ความหงุดหงิดลำคาญลดลงคุณจะต้องหัดแผ่เมตตาแบบเนี้ยยิ่งเป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยโอ้ยทำไมจะทำไม่ได้ช่วยโดยตรงอย่างนี้ไม่ได้บางทีพูดโดยตรงไม่ได้ก็ยังพูดโดยอ้อมได้ใช่ไหมอ่ายังสามารถพูดโดยอ้อมก็ได้บางทีโอ้โหไปสอนคุณตรงๆนี้เราก็รู้ว่าเออเดี๋ยวก็อาจจะไม่ไม่ยอมอ่าเราก็อาจจะ เออวันนี้มีชาดกดีจังเลยเนี่ยโหเนี่ยไปอ่านเจอนเนี่ยลองไปอ่านดูสิแหมเรื่องเนี้ยดีมากเลยหรือเราไปดูหนังเรื่องไหนมาโอ้โหหนังเรื่องเนี้นะแมจริงจริงเมอะ ก, กับเขามากเลยนะเขาจะได้แง่ายคิดดีๆอาจจะได้ความคิดอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยบางทีก็เออเอาหนังเรื่องเนี้ยไปให้เขาดูเนี่ยมันมีวิธีตั้งเยอะตั้งแยะที่เราจะแผ่เมตตาแล้วก็ช่วยเขาได้ซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยอาจารย์บาทึงบอกจิตที่เรามีอย่างนี้นะ โอ้โหรับรองเลย ไ, ไปกอดไปถือสาไปงุยินลำคาญเขามันลดลงไปเรื่อยๆมันจะหายไปเรื่อยๆเลยจนในที่สุดเนี่ยรับรองคุณจะไม่มีอะไรอะศัตรูคุณจะไม่มีใครที่คุณชังเลยคนชังคุณอาจจะมีนะแต่คุณเนี่ยจะไม่มีชังใครคุณจะไม่มีไปเที่ยวไปเกลียดใครไปถือสาหาความอะไรกับใครนัก ริงมันอาจจะขึ้นมาขึ้นมาแต่พอเรารู้เนี่ยเราก็จะล้างพวกนี้ทิ้งไปก็เนี่ยกรรมวิธีพวกเนี้ยเราก็ํามาใช้แล้วก็ล้างทิ้งบางทีก็เอาซื้อของไปให้เขากินบ้างใช่ไหมบางทีเขาทำงานอยู่ก็ไปช่วยเขาทำบ้างเขาพูดมากน่าก็คุยกับเขาเลยชวนชวนคุยเลยเพรันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้รับรองไอ้ความหงุดหงิดความอะไรต่างๆมันจะหายไปได้ ไม่อย่างงั้นมันสะสมนะไอตัวที่เราไม่ชอบใจมันสะสมยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆ ย, ยิ่งผลักแรงยิ่งผลักมากเ <_ S 1> <ๆ>ขาเนี่ยเขาอ้าปากเท่านั้นนะคุณไปดีกว่าคุณไม่อยากฟังเลยเข า, ายังไม่ทันพูดเลยเพราะมันสะสมความไม่ชอบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ <_ S 1> แล้วความเมตตาเราก็จะลดหดลงไปเรื่อยๆหดลงไปเรื่อยๆมันต้องเพิ่มต้องเพิ่มเมตตา เพิ่มความเอ็นดูเพิ่มความเข้าใจเขาเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นมากจนกระทั่งผู้เจ้าบอกว่าอะไรนะมีพระ ส, สูตรอยู่พระ ส, สูตรหนึ่งอะ่ะเนี่ยไปทําบุญทำทานแจกอาหารหม้อใหญ่ๆเนี่ยหนึ่งรหม้อในตอนเช้าหนึ่งรหม้อตอนกลางวันหนึ่งหม้อตอนเย็นสามเวลาเลยนะโอ้โหครั้งหนึ่งแจกอาหารหเป็นร้อยหม้อใหญ่ๆเนี่ยแต่ยังไม่เท่าการแผ่เมตตาจิต บุญนะนะบุญกุศลที่คุณไปทําอันนั้นนะ่ะยังไม่เท่าแผ่เมตตาจิตแม้เพียงช่วรัดนิ้วมือแค่ชั่วรัดนิ้วมือนี่มันแป๊บเดียวเองใช่ไหมแต่เนี่เรามีจิตโอ้แผ่เมตตาจิตดีๆกับเขาจริงๆช่วยเขาหวังดีกับเขาเข้าใจเขาสงสารเขาเห็นใจเขาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าบุญกุศลเนี่ยมากยิ่งกว่าคุณไปแจกอาหารสามรอหม้อ นะ <G ül üş> มากกว่าไม่รู้กี่เท่าเลยบุญกุศลนี้นะเพราะฉะนั้นอ้าวฝากประเด็นนี้แล้วกัน <G ül üş> ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะหาคนเกลียดไม่เจอหาคนที่คุณไปเกลียดเขาเนี่ยไม่เจอ <G ül üş> นะถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้ก็อ่ะนะก็คงจะไปทำให้จิตเราได้ดีขึ้น <G ül üş> เอาวันนี้องพอเท่านี้